ที่ได้สาธิตดูมเมื่อวานน่ยมันเป็นภาวะที่ไม่หนักไม่เบาเนี่ยขเขาเรียกอะไรพอรู้ว่าหนักเนี่ยไม่ชอบเบานเนี่ยชอบแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันไม่หนักไม่เบามัานเป็นอะไรเราจะบอกว่าเฉยๆ เ, เนี่ยได้ไหมประมาณนะั <c oughs> ณนะ้นแล้วบอกเฉยๆพลาภาษายากตรง น, นี้เออถ้าว่าหนั ก, กว่าเบาชอบไม่ชอบมันชัดใช่ไหมแต่อีกตัวหนึ่งที่ระหว่างกลางระหว่างหนั ก, อ, กอย่างเุ่นว่ามานั่งเนีย้ยมาบอกว่าหนักแต่ในขณะที่มันกำลังลุกขึ้นเนี่ย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 เพราะจะเห็นว่าทฤษฎีวิธีการของวัฒเทียนจึงมาตัดต้นเหตุเลยคือมาสร้างตัวรู้เท่านั้นนะมาสร้างตัววิชาเท่านั้น <intended> ตัวรู้นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวรู้ในีงตร ง, ตร ง, ตรงชื่อตร ง, ตร ง, ตรงเรียกว่ายานจากของอุ <detto> ทัปฐิ่านังอุทัพปฐีปัญญาอุทัปฐิวิชาวัฒปิอโลโกในธรรมจักรนะเพราะนั้นมาสร้างที่เรามาสร้างนี้มาก่อ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 เห็นความคิดออกไปเห็นความคิดเข้ามาแต่ใจเราไม่ได้ไปด้วยนี่ตรว น, นั้ น, นเป็นวันที่ข้าวถอดลวงลวะเพราะฉะนั้นมีขบวนการขั้นตอนชัดเจนนะในวิธีการที่บุญญาธานรัสรู้มาเนี่ยถึงว่ามันเป็นขบวนการที่ที่ไม่ไม่มั่วไม่ลักษณะดาวโดนดาวเหมือนกาของพวกพรามนะ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 เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะเดินก็ต้องตั้งสติแล้วมันก็จะเดินนั่นกันเหมือนกันฝึกใช้สตินั่นเองอะไรก็ตามที่ฝึกบ่อยๆสิ่งนั้นเป็นไง<ช>เกิดทักษะความชนิดชำนาญความชนิดชำนาญในการใช้นามธรรมเราเรียกว่าญาณปัญญาความชำนิชำนาญในแง่ของรูปธรรมเราเรียกว่าอะไรช่างใช่ไหอ่า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 อันนี้ส่วนหนึ่งก็คิดว่าวันนี้เริ่มได้อารมณ์นะใช่ไหมการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะจากลนมากขึ้นไม่กระวุดกระวาดเหมือนก่อนมากขึ้นนะอ่าลอยมากขนอันนั้นคือหมายพวาเริ่มความคิดใจของเรา เ, เริ่มเข้ามาแล้วอันนี้ก็ต้องนพยายามสังเกตไปเรื่อยๆเนะี่ยแต่ให้มันผ่านขั้นตอนขบวนการอันนี้ก่อน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 ต้องต้งพยายามต่อไปอยู่ให้เราสักเจ็สิบแต่สามสิบมันก็หมายความมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งข้างนอกชะ้นเจดสิบแล้วใช่ไหมอ่าหลุดแล้วก็หมดเลยนะ่ะสามสิบมนนะไม่เหลือเลยนะหลุดแล้วก็ไปเลยออันนั้นคือต้องเพราะนั้นถึงบอกว่าสต็อกไว้ที่เลิมชั้นเจดสิบ ก, ก่อนถ้ามันไปเกี่ยวข้องชั้นสาสิบถ้าจะมีการหลุดก็หลุดชั้นยี่สบก็ยังพอทันไม่ยากหรอกทาบ่อยบ่ย <c oughs> <c oughs> คุณเคยเห็นแม่ค้าขายของในตลาดไหม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 เออแต่ไปฝึกใช้เป็นเออเดินไวก็ เ, เดินช้าลงใช่ไหมพูดมากก็พูดน้อยลงกินมากก็กินน้อยลงอย่างงี้เนี่ยนะ <c oughs> เคยกินแต่อร่อยก็กินหัดกินไม่อร่อยบ้าง น, นี่แสดงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นล้วอ่าเปลี่ยแปลงขึ้นนอนไม่หลับก็นอนหลับดีขึ้นนี่นะนอนไม่เคยหลับก็นอนหลับได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าพัฒนาการอาบน้ํานานๆก็อาบสั้นขึ้นอย่างเงี้ยอาบน้ำเปชั่วโมงก็เหลือสักห้านาทีสิบนาทีเท่านัเนี่ยนะ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 พราตัวนั้นจะเป็นสารตั้งต้นของสปปรพพสิ่งที่พระเจ้าค้นพบนะนี่ใช่เขาจุดดูปตตยานะพอค้นพบอยู่นี่ปั๊บอะไรเกิดขึ้นปั๊บกลับมาอ๋อเห็นของทันทีเลยมันจะมีแค่ของสองความรู้สึกเดียวนยสบายไม่สบายหนักเบาดีชั่วสุขทุกข์อ่ามันจะมีอยู่แค่นั้นอ้าวจะไประวิการครอบครัวนี่มาทั้งครอบครัวเลยเนี่ย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 ที่สมก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคุณเชือ่อเออใช่ดูไปใช้ได้ทีเดียวนะที่สามแล้วกันก่อนนอนใช้เอ็เคทไหนเพราะเอ็กเคทสองนี่เขาสูงว่าแกจะยืนอยู่ถ้าเดียวก็ยืดก็ดีนะข้อ น, นี้เรามีของเล่นมากขึ้น <laughs> ของเล่นมากขึ้นไม่เบื่อนะ <laughs> แล้วเราก็หลับแล้วรเออเห็นไหมได้ฝนนะอย่างน้อยก็ให้หลับง่ายก็ใช้ได้นะอะไรก็ตามให้มันเป็นประโยชน์ก็ใช้ได้นะ อ่าคุณเอวันนี้รู้สึกว่าหลวงพ่อวันนี้คุณไม่อยู่ในสายตาหลวงพ่อเลยเพิ่งมาเห็นคุณนี่ทุกวันเห็นชัดวันนี้ไม่เคยเห็นเลยวันนี้เพิ่งเห็นตัวเล็ขลงนะเพราะทุกวันนี้ดิ้นพลาๆนะแต่วันนี้ไม่เห็นดินเลยเหมือนกันคงจะได้อารมณ์ขึ้นหรือเปล่าไมรู้เลยหลบไปนอนหายไปไหนเมื่อหลบไปนอนอแต่ก็ดีขึ้นไหมช่วงปลายช่วงท้าย